พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าิดลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคาน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่15ตุลาคม2556มีชื่อเรื่องว่าคนในพุทธบริษัทเมื่อเนี่เป็นวันที่สิบห้า วันที่ส5ห้าตุลาคมพุทธศักราช2556หวันที่ส9เก้านะลูกหลานนะเป็นวันออกพรรษาปีนี้วันประวรณาออกพรรษาวันที่ส9บเกแล้วก็วันที่ย7สบเจ็ที่เจาประกาศเป็นกรถินวัดป่าหน้าคำหน่อยของเฮ้าวันที่ยี่สบห เป็นกระถินวัดปลาบัานตาดแต่ทราบว่าของหลวงปู่นมีเน่ยยี่บหกมยี่สิบเจ็ดแต่หลวงปู่รีเาวยี่สบเจ็ดกันผู้ใดสิไปวัดใดก็ห้สืบสอบเบิงทะกูมือนมันสืบสอบง่ายขึ้นอย่างเนี่ยยกหู โ, โทรศัพท์ไปหาถามผู้ใดเขาก็บอกมัดนนวันดีทใดาทอดป่าปลาอยู่ใส่เนกูมือนเนี่นเนยเผยเผยกันผู้ใดเ่นเฟซุเป็นแลน้วเน ก็ไปเบิร์ในเฟซบุ๊กของยักษมัดไปจังหดมาจังใดกูมือมันติดต่อประสานงานกันง่ายออกพรรษานะ่วันที่สิบเก้าตั้งแต่มืออื่นไปลงพอก็บอกพระนะบอกไซบาทให้เข้าขยับออกมาไวทางนอกเด้อไวถ้ามาไวเดินถ้าฝนขึ้นจะโปรตกดอกบันจะให้ใหสลาร์ททำความสะอาดซะสะอาดเช็ด เ, เียบร้อยแล้วก็ ปัดกวาดให้ได้ใช่มันออกคนญาาให้ได้ใช้งานได้พวกในขั้วเตรียมพวกถ่วยช่มไปเรียงแขกเลียงข้นเลียงพี่เลียงหน่องทั้งนอกคนอ่ะบอกผนเขาว่าทั้งในใตั้งโต๊ะตั้งยังล้วก็เลียงกันเตียงอาหารกันทั้งนอกคนละทีมันกว้างขวาง จะดวกสบายขึ้นมากละ่ะแต่ว่าถึงยังไรก็ตามเข้าก็ต้องทดสอบทดลองเบิงเมื่อกระถินเมื่อวั่นกระถิ่นเนี่ม่นจิตเป็นอย่างไงเห้าประเดิมชัยเบืงคลอนเมื่อวั่นงานกระถินจริงเครื่องเสียงเป็นอย่างไหของน้ำของท่าเป็นยางไหน้มไฟเป็นยางไงฐานที่เพียงพอบว่าสิบินธบัตย่างไดเข้าก็จะได้เบิ้ง วันออกพสาเนี่แหละลองหน่อยซะ ก, ก่อนบาฮันเลยยังคอยงานไงถึงจะได้งานกระถินของเฮ้าทุกปีที่ผ่านมาก็ารู้สึกว่ามากไหม้พ่อสมข่วรถึงอย่างไรก็ยังเป็นพี่นองในชน บ, บทของเฮ้าน่ยในถิ่นของเฮ้าเป็นส่วนมากที่มาในงานแต่คนในเมืองก็มีอยู่แต่กระจายกันวัดต่างๆผู้ใด ต้องการหรือว่าชนิดสนมกูบาใบจานองคไรเพิ่งก็ไปตามวัดนั้นอย่างวัดเท่าก็มีขี้กันแต่วัดอื่นก็มีว่า น, น, นเรื่องก็ถิน่นกระจายกันพอสมควรเพะว่ากรถินปีหนึ่งกว่ามีแต่ละวัดก็มีครั้งเดียวแล้วก็มีเวลาจำกัดอีกหนึงน่งเดือนตั้งแต่ออกพรรษาไปหนึ่งเดือน ในระยะหนึ่งเดือนน่นกับไผกับเร่งจังแต่วันเสาร์วันอาทิตย์เอเร่งจั่วันเสาร์วันอาทิตย์เพราะญาติพี่น้องที่จะมาทอดกระถิ่นที่มารวมกระถินกระตัมากก็เป็นข้าราชการพ่อข้าที่จะมาใดก็คือเสาร์อาทิตย์ปังจึงต่างคนกับต่างเร่งจังเสาร์อาทิตย์สรุปแล้วก็คือมันมีสักมื่นละเสาร์อาทิตย์เดือนนั่นก็มีสอาทิตย์ มันก็มีแปดมือใมือแปดมือมันก็ต้องชนกันเป็นธรรมดาแต่เรื่องกระินลงพอก็เคยบอกเคยกล่าวบอกว่าเรื่องกระทินก็เป็นนาทีของพุทธบริษัทคำว่าบริษัทคำนี้ก็คือรวมร่วงเห็นกันเป็นคนของบริษัทแต่ในคนเท่บริษัทเนี่ย ควรจะให้การสนับสนุนจังไรในบริษัทของเจ้าของโมเมนต์เฉยเมื่อยอยู่ในบริษัทแต่บริษัทส่งเสริมบริษัทอันนั้นก็บ้านาจะถูกอันนั้นพวกเข้าอยู่ในบริษัทพุทธบริษัทเขาก็ต้องเสริมส่งเสริมเขาโยนในบริษัทใดเขาก็ส่งเสริมบริษัทนั้นอย่างศาสนาคริสต์อิสลามขึ้นกัน ให้เข้าไปสืบสอบดูสิเขาก็ส่งเสริมในบริษัทของเขาคือกันอันนี้คือกันพุทธบริษัทเขาไปต้องส่งเสริมในบริษัทของพวกเข้าแต่ถ้ามากดูหน่อยก็ตามกําลังศรัทธาแต่ว่าเฉยเมยจนเกินไปกรมปณายจะถูกต้องเพราะวา่าวัดว่าศาสนาอย่างจี๋ละ่ะอย่างพุทธบริษัทวัดก็จะต้องได้ใช่ การธนูบำรุ่งจากพุทธธบริษัทซีพุทธบริษัทซีคือหยังคือไผ่คือโยมผูช่ายอุบาสกอุบาสิกาและก็ภิกษุสัมมาเน็ภิกษุสัมมาเน็ตพก็อยู่วงในผูรักษารักธรรมวินัยผููรักษากฎระเบียบผููอยู่ภายในแต่อยู่ทางนอกน็คือการให้การสนับสนุนเรื่องปัจจัยซี เพื่อจะให้บริษัทของเฮายืนยงต่อไปผ้าิภาคหนาถ้ามว่าพวกเฮาส่งเสริมบริษัทของเจ้าของบริษัทของเฮาก็ลอยล้อลงไปเรื่อยๆแล้วก็จบบทที่สดุดแต่ถ้าว่าเฮาส่งเสริมบริษัทของเฮาให้เข็มแข็งบริษัทของเฮาก็ยืนยัดอยู่ได้เพราะพุทธบริษัทช่วยกันทนุถนอมช่วยกันปกป้อง ดูแลพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเรื่องการทนุบารุงพุทธศาสนามเมนมเมนของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคนในบริษัทจะต้องช่วยกันมองดูหรือ ป, ปกป้องบริษัทของของเฮ้าแต่ผู้อยู่ภายในอย่างหลวงพอ่อหรือคู่บายจา น, น ย, ยกหลวงตาเป็นตัวอย่างหลวงตาเป็นผู้อยู่ภายในของบริษัท คณวัตถุธบริษัทเขาส่ง อ, อนุถนอมออส่งจตุปัจจัยเขามา้าเขาม้าในบริษัทเขามาในวัดว่าศาสนาทั้งคู่บาอาจารย์ทั้งพระสงฆ์ก็ต้องมองทางโลกเมื่อคือกันจุดใดที่ขาดเหลือขาดตกบกพร่องคันบริษัทของเฮ้าหรือวัดว่าศาสนาของเฮ้าเป็นไปได้แล้วก็มองว่า ควรจะช่วยเครื่องมือแพทย์ยังไงต่อพี่น้องประชาชนอาข้าหล้างใดที่เป็นโรงเรียนโรงพยาบาลหรือว่ามีสิ่งจําเป็นและสําคัญของพี่น้องประชาชนพุทธบริษัทของพวกเขานี่ก็ต้องได้ซอยเหลือไปอย่างโรงตาซอยอย่างโรงพยาบาลอย่างที่เป็นต้นอย่างโรงพอ่อขึ้กันขั้นว่าจิบรรยายเกี่ยวกับการทรงคออนุเคราะห์ ให้กับชุ่มชนแล้วเมื่อใดเข้าห้องจะ บ, บริชันจังหันนะก็มากเพราะสมควรขนาดลงพอตัวในหน่อยกังทีนะได้ช่วยหเหลืออีย่างใดเครื่องมือแพทย์จังไดแนโรงพยาบาลจังไดแน่ชุมชนน่อนจนังใดแนแต่ว่าถึงอย่างไดก็ตามเข้าเข้ามาคิดว่าพุทธศาสนาอยู่ใดเพราะพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุน พี่น้องประชาชนอยู่ใดก็ต้องศาสนาเป็นผู้ชี้น้าทางด้านจิตใจคําไว้ทางด้านวัตถุทางดาน้ามาร้ำน้ามาถรมถคือด้านจิตใจการไปมาหาสู้กันการไม่เมตตาต่อกันการมีนําใจต่อกันมีความอบอ้อมอารี่ต่อกันนี่แหละถ้าว่าพวกเข้ า, าไปสู่วัดว่าศาสนาใดก็ตาม ไปก็ได้รับความอบอุ่นจากพี่นองจากคู่บาอาจารย์มันก็อบอุ่นทั้งด้านจิตใจแต่ถ้าว่าไปแล้วมันบ่ได้รับความอบอุ่นบ่ได้รับความตอนรับที่ดีค่อยไผกับขยาดกันทั้งหมดนั่นนะเพราะนั้นขอให้พวกเข้าทุกขู่ทุกคนนะที่มาอยู่ภายในวงการพุทธศาสนาศาสน า, าบม่เป็นของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของพวกเข้าทุกขูทุกคนมองเห็นกันมองกันมองในแง่เหตุแง่ผล อย่าไปมองกันในแง่ลายอย่าไปมองกันอย่างอื่นมองงดยเหตุด้วยผลการประพฏิบัติธรรมธรรมดาพวกเข้ามาอยู่น้ำกันผู้มาไม้ผูมาเกาผู้มาเ ก, า, า, เกาก็บกูหลุจักคุนเชื่องต่อสถานที่คุนเชองต่อ ว, วัดว่าศาสนาแต่ผู้มาไม้ยังไปทันหลูเรื่องนี่แหละเขาก็ต้องช่วยแนะนํำ ยังยูซารามาตรงพอยังบอกให้โยมพอตูนะ่เป็นนางยูซาร่านะ่ยชาวบ้านเขามากนะี่ยเขามากเขาก็เขาก็เคยมาทําบุญยูซาร่าเนะ่ยเขาเคยเอาอาหารมาไว้ซาลาหมาทํำยูซาร่านะเพราะเขาบุกเคยมาเอีเขาคนนั้นะเจอาทางโยมถึขงขุนจักรพอตูขอกก่ขุนจักรเขาบอไปบอกเขาได้ เออพันสาบาต ท, ทางนอกวัดเนอะเดี๋ยวนี้นในพรนศาไปไปไปไปจัดอยู่ทางนอกไปสาบาตทางนอกเนอกันนาจะบอกเขาอันนี้เฉยหลวงพ่อเองเลยไปบอกเอ้ยผู้เจ้ามาจากไหนสัทธายาดย่อมลูกหลานมาหาขุนโอ้เรไปสาบาททางนอกเ น, ก น, นะอะไปออาาญญไปไ ป, ไปสาบาต ท, ทางนอกเปิดสบาต ท, ทางนอกในในพรรษาตะนอกพนศา เ, นเออเอามาถวายอยู่าลา เขาบอกโอ้ยโบูงจักแล้วคิดว่าจะเฮ็ดคือเกาหลงพอบอปอบอผู้น่ะไปทางนอกไป <c oughs> ลงพอก็เลยมากำศันทั้งโซเฟอร์ผมทัางปตูผมโอ้พวกเฮ้าเนี่ยบอแหน่หน่ำเขาเวลาเขามากก็ต้องแนะหน่ำไม่เฮ้าเป็นเจ้าของบ้านเฮ็ดจังสี่วยเฮ็ดจังสันเฮ็ดจังสันเฮ็ดจังสี <c oughs> เป็นมักุเทศให้เขามันยังค่อยแมน อันนี้ช่วยอมปากอมลิน้นไผยอมลิ้นมั่นอยู่บาฮาดาเนื้ออื่นปวดดาเกงแท้ๆได้หว่านอื่นป่ดว่าดาเกงข้น อ, อย่างไรสิเหแนะนำให้เกิดประโยชน์บ่เหตุเพราะนั้นพี่น้องลูกหลานผลได้มากกัตามเบิงเบิงๆแล้วกันเขาบุญจักกันแนะนำเขาเห็ุจังสี่ทั้งสัเน่ลูกหลานเน่กินมานี่กาพะไหวพะทังสี่เน่าทาตัวนังสัตว์ั้งสี่เเขาเป็นเจ้าของบ้านเขาก็ต้องแนะนาเขา ถึงเขาจะพอใจเพอพอใจบ้างหม่ๆมต่อไปเขาก็เห็นคุ้นเมื่อเขาแนะนํำไปในทางที่ถูกต้องโดยเจตนาดีของเฮาขนาดว่าต่างคน้นต่างบอแนะนํำกันต่างคน้นต่างเฉยศาสนาที่อยู่ใดจังใดโพธิศาสนากันนี่แหละถ้าจะว่าหลวงพ่อนี่หลวงพ่อสะดวกวัดเจริาวต่ละมือโอ้ยบอแล้วปุ๊บปับมากบินบาทมากกฉันโหลดแบบหลวงปู่จามสบายกว่า แต่ที่มาเว้านี่ก็เพราเหตุใดก็เพราะเห็นว่าต้อไปพาาา้าิภาคนาพระเน้นลูกหลานของเฮ้านี่ที่หูจักกฎระเบียบธรรมเล่มป ร, ประเภทนี่จังใดแต่เราตลอดถึงพี่น้องประชาชนศรัทธา ญ, ญาติโยมที่มาทมําบุญแต่ละเจ้าก็ยังหน่อยก็ให้ได้ยินเสียงพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นแนะนําสั่งสอนจังใดบอกกล่าวจังไดรักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็เฮ้าวกว่าได้ยินอยู่ทางอื่น จนจะได้ปิดหูไวพ่นะคนในตลาดคนในที่ต่างๆอแต่เข้ากับวันอย่างนี้เสียงธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเพิ่มสอนจังไรให้มีเมตตาต่อกันจังไรให้มีความอบอ้อมอารีต่อกันจังไดอนี่แหละชีวิตของพวกเข้าเป็นจังไรยืดเจ้าไปชักเท่าไดถึงร้อยปีบ่ไปแล้วตายแล้วไปจังไร ศูนย์บอ่อเขาเกิดอีกนี่แหละขันธวะหะมา่าสุวัดว่าศาสานาพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะได้ชีน้าชีแนะหอยฟังจากน้อยกับเป็นแนวความคิดถึงจะเชื่อหรือบม่เชื่อก อ, อนันก็สุดแท้แต่ความคิดของแต่ละคนบอ่อประเดี๋เชื่อบัดนั้นก็คงจะบอ่อ ถ, ถึงขนาดนั้นแต่ที่บ่ให้ฟังเนี่บ่เชื่อเลยเมื่อก้อนบ่อหายจะเป็นทั้งสันอีกคือกันเพราะว่าต่างคนต่างบุญบา ร, รมี ย่งพระพุทธเจ้าพ้นเทศนาวาการขึ้นกันเวลาขึ้นพ้นจะขึนเทศเวลาพุทธทบริษัทมาประชุมพร้อมกันใช่ไพระพุทธเจ้าพอจะกวาดสายตามกวาดญาณทัศนะกวาดชาญญาณทัศนะในพุทธทบริษัทที่มานาั่งผู้ใดเสด็จสเร็จพระหรหันต์มีสักคนมือเนี่ยเออเครื่องคอมเครื่องคอมพิวเตอร์พันคิดตัวเลขออกมาอ่ะ ตบตับตตตัตตตหูแหละผู้ใดจะสำเร็จพลรหันสักคนพระอนาคาามีสักคนพระโสดาบั ake, ication, ru, นส like ักพระสกทาฆามีสักคนพระโสดาบันสักคนผู้ทิถึงพระไตรสรณคมมีสักคนมือเนิบัดแล้วเพิ่อนก็จะแน่นเรื่องพรลรหันก่อนผู้ทีได้สำเร็จพรลรหันมันก็ว้าแต่พวกที่พวกดูทั้งบัลมียังอ่อนนี่ก็ฟั่งเพื่อนก็จะ บ่กเข่าหูแล้ยไปเฮ็ดเธอเพิ่นบอกอย่างแต่ว่าผู้ที่จะได้สําเร็จเพิ่นฟังเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจได้บ้างผลในสุดยกพวกนั้นเสร็จแล้วก็เออเอาต่อมากกับเทศผู้ที่จะได้สําเร็จขันตอนลงต่อมาก ต, ตลอดมากกับมากพูดเป็นขั่ม เ, เทศนาวาการให้ผู้ที่จะได้สําเร็จหรือว่าผู้ที่จะได้ ถึงพระไตรจารนะคมยึดประพุทธเจ้าพระถรมพระสงฆ์ปลูกสัทธาให้เบื้องต้นให้เกิดสัทธาให้เสื่อมั่นเสื่อกรรมเสื่อผลของกรรมท้ำดีได้ดีถ้ำชั่วได้ชั่วน่าลกสวรรค์ไม่จริงนะตายแล้วเกิดนะเนยพวกนี่คือเสืออ่อถึงจะเสื่อก็อยังว่าท่านได้สําเร็จเพียงแต่ว่าเสือ่อซสื่อนับถือเหลื่อมใสพวกนี่ก็มีสรุปแล้วก็คือ ฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายระดับนี่พระพุทธเจ้าจะเทศนาวาการให้ฟังพวกนั้นพวกเข้าที่มาว่หรือว่าแนะนำพี่นองไปะชาชนจัดท่าญาติโยมลูกลานจะให้เข้าใจมุทุกคนก็คงจะเป็นไปบ่ได้ได้บ้างเสียบ้างแต่พอพูดะเลยดีไหมแล้วพูดพูดกับพระพูดอันไหนดีกว่ากัน แต่สรุปแล้วก็คือพูดดีกว่าเพราะยางหน่อยก็ได้สัทธาญาติโย้มผูดทีทำการทำงานวม่ได้เขาใส่ใจในพุทธศาสนามีแต่ทำการทำงานก็มุกมุ่นอยู่แต่การงานวม่ได้สนใจกบ็บมูหแต่พ่อมากวัดว่าศาสนาได้ยินครูบาอาจารย์บาหรือว่าได้ในหนังสือ แล้วเอมพ่สามไปไปฟังไปเออแนวความคิดของพุทธศาสนาเนี่เป็นสอนกันยังสี่ตัวนี่นะยังมือว่านขนกันมือว่านก็มีได้รับจดหมายจากจังหวัดอายุทยาเขียนมาบอกว่าผมได้รับเอ็มพสามของหลวงพ่อไปสองแผน่นแต่ผมฟังเมืองแล้วโอ้เทศสนาวาชการของหลวงพ่อเนี่ย เน้นนกว่าทำดีได้ดีทํำชั่วได้ชั่วตายเราเกิดแล้วก็เวลาเป็นฆรวาสก็ให้ทํำคุ้นงามความดีพร้อมอแล้วก็ให้สางท้านะเจ้าของพร้อมจะให้ขาดตกบกพ่องในการเป็นอยู่การทำอาหารเรียงชีพให้มั่นให้ขยันแต่ถึงอย่างไรก็ให้สุดจริตอย่าไปคดไปโกงอย่าไปปนไปจีอย่าไปเบียดไปบงังของผู้อื่น หลวงพ่อผมฟังแล้วเดียวนี้โลกทางหลายเขาเนี่มีแต่หาเงินแต่ว่าการหาเงินทางโลกกูมืงินเี่เขาบริคิดคำนึงถึงศีลธรรมมีแต่หาเงินว่าจะได้มากโบจักเบียดจักปังโบจักโคดจักโกงฟังๆเบิ่งแล้วก็ในหลักของพุทธศาสนาเนี่ก็ที่หลวงพ่อพูดเจิ ง, จงแต่ว่าผู้ที่จะปฏิบัติเนี่ยจะหน่อย แต่ว่าถึงจะไหนก็พูดไปดีกว่าน่ะครับผมเห็นด้วยที่บอกแนะนำไปดีกว่าเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือแนวความคิดของขู่คนในยุคนี่สมัยนี่สรุปแล้วก็คือทั้งใ ด, ใ ด, ท, งใดทั้งเสียของเะาไสรุปแล้วพอพูดเฉลยมันก็บ่งการพูดเกินไปก็พอเป็นผลดีขึ้นกันล่ำข้าศนหูขึ้นกันแต่ว่าถึงจะไหนก็ตาม ยังหลวงพ่อสมัยเป็นแน่นหน่อยอยู่กับหลวงปูหลา่าผู้เฒ่าม่ต่ซอสกันทั้งไปญเกียดแนวความรู้ให้สอนสอนบอกบอกยางเป็ บ, าบาริบัทหางยางนำคนพอนสอนบอกเฮาผู้อยู่ผู้เป็นแน่นหน่อยนะโอ้จิ้มเ็นหาวบอกยังกระดกก็เดียบบอกความเกา่าล่าขั้นหลวงปูอ่อ แต่ยางก้อนอะไรได้อพันยางสียางก้อนเพลนอาตามหลังจับดึงแขนไว้ไปหาไปก่อนเอดเห็นหมอบี น, น่ายเราเดินไปข้างหลังจักไม่แสดงธรรมแก่คนผู้เดินไปข้างหน้าขั้นว่าเข้าเดินไปข้างนาลุงปู่จะบาเบาได้เศร้าเบาเนาะไปขั้นถ้าว่าดูน้ำหลังเพลนนี่ยเป็นสีบล็อกเนะ่ะเป็นสีเทศให้ฟังเป็นสิบล็อกห้ฟังแนวความคิดของเพลน พรนั้นเพิินจึงให้เห่าอยู่ทางหลังหมดเลยแนะนํากวนเพลินอ่ะเพิินกับเา้าเว้าไปเลยอนอะแนะนําไปเลยสมัยงานก็นคือล่าข้าศ์เบาง่ายๆแต่ก็ฟังอยู่บางบางเรื่องที่มันเป็นความไม่คือฟังขันเบาเรื่องขําเกาโคงมหาโตเกาเนี่ยคือล่ข้าศนี่ยมันนอกแต่มาพิจรารณาเบื้งคูเมือนี่ยโอ้ยโยกมือถ่วมหัวมันออกไปหลวงปู่แนะนําสั่งสอน คือแน่นให้มันนักเขานะ่าลงไปให้จดจำได้เรื่องที่มันเบอกคือมากแล้วก็บอกอีกเป็นกระบอกมาเป็นบอกทีจนนั่นหอกแต่ว่าเข้านะมันเด็กน่อยเนะ้ยจำได้ทีเดียวมันก็จำได้แล้วแต่ว่าถึงยังไงก็ตามหลวงปูป่มันเกิดมเจตาหน้าดีผลที่สุดพ่อเขามาอยู่เขามาอยู่บันตาดนะ น, นะโอ้แนวความคิดที่หลวงปู่สอนให้เข้านะแต่สมัยเป็นแน่นน้อยนะเข้านํามาใช้บัด การเข่าหาคู่บาอาจารย์เห็ดยังไงการอ่อนหน่อบทอมตนให้ยังไงการถอยหนาถอยลังให้ยังการประเข็ของให้ยังการพูดการจาอตลอดถึงการไปฮับยามไปฮับยามฮับถงประเทศยังไงถือถงถือยามประเทศยังไหลุงปู่สอนมัอเนี่ยว่าโอเป็นแนวความคิดเป็นความรู้ที่เฮ้านำมาประพฤติปฏิบัติได้เนี่ยว่ายกมืดถั่วหัวพอมาถึง เขาเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าได้รับความรู้จากองค์หลวงปู่หละนี่แหละแต่ว่าพวกเข้าท่านทั้งหลายได้หินใหม่ๆมมื่ขอขวางหูอย่างวานแต่ถ้าว่าเข้าได้ยินได้ศึกษาแนวความคิดดีๆแล้วพวกเข้าจะนําไปใส่นําไปพิจารณานําไปปรับปรุงแก้ไขการประพฤติปฏิบัติของตนในชุมชนกลุ่มของตนในครอบครัวของเข้า มันก็เกิดประโยชน์มากที่เดียวล้วลงพอวานะเอาละพ่อนะจะนี้นะสมไสมันหองเลยฝนซิมาบอย่างเงินบอฝนซีมาได้เบิ่งเบิ่งขับบกขึ้รอวะมันซิมาได้ยังในเดือนตุลาจะออกมสาไปหแห้งละ่ะ